พระไตรปิฎกเล่มที่12จุลธาตันหาสังคยสูตรเท้าสักกะถามเรื่องความสิ้นตันหาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมีคารมาตาณบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สงควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คำว่ามีความสําเร็จสูงสุดหมายถึงผ่านที่สุดกล่าวคือความสิ้นไปและเสื่อมไปเพราะไม่มีธรรมะเครื่องกาเริบอีกได้แก่ถึงพระนิพพานมีความเกษมจากโยคะสูงสุดหมายถึงบรรลุธรรมที่สูงสุดอันปราศจากโยคะสีคือกามพบทิฏฐิและอวิชชาหมายถึงบรรลุพระนิพพาน ชื่อว่าผู้มีความปลอดโปร่งจากโยคะกิเลสประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดหมายถึงอยู่จบพรหมจรรย์และมีสภาวะที่ไม่เสื่อมมีที่สุดอันสูงสุดหมายถึงมีที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจอมเทพภิกษุในธธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นภิกษุได้สดับแล้วภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมะทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วเธอได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตาม เธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นจริงดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดกลัวย่อมดับ ก, กิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมอาจารย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคำว่าธรรมะทั้ง่วงในที่นี้หมายถึงขันห้าอายตนะส2บสองและธาตุสบปดเป็นธรรมะที่ไม่ควรยึดมั่นด้วยอำนาจตัญหาและทิฏฐิเพราะเป็นภาวะ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 ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพส่งชื่นชมยินดีพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองสมัยนั้นท่านพระมหามกคลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคมีความคิดว่าเท้าสักกะนั้นทราบเนื้อความเป็นพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดี หรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้อันตรทธานจากปราศาสขอมิขาระมาตาในบุปผารามไปปรากฏในหมู่เทพชั้นดาวดึงครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยทิพยะดนตรีห0 0รชนิดในสวนดอก บ, บุญทริกล้วน เช้าเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะมาแตกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้งห0 0อชนิดไวสเสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะแล้วตรัสว่านิมนเข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคลานะผู้นิรุตข์ขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามานะที่นี้นิมนนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เถิด ท่านพระมหาโมคลานะนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนเท้าสักกะจอมเทพได้ส่งเลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหาโมคลานะจึงทูลถามเท้าสักกะจอมเทพว่าเท้าโกศีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมะเป็นที่สิ้นตัญหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิด แม้อัตมาก็จักขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นท้าวสักกะตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงพระพาสิทธ์ใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมโดยเร็วพลันพระพาสิทธ์นั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้ว ทรงจาไว้ดีแล้วเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับจากสงครามนั้นแล้วได้สร้างเวชยันต์ตระราศาสเวชยันตปราศาสมีหนึ่งรอชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกุฏาคารคือเรือนมียอดเจ็ดร้อยหลัง ในกูตาคารหลังหนึ่งหนึ่งมีนางอับศรนเจ็ดองนางอับซอนองหนึ่งหนึ่งมีเทพธิดาบำเรอเจ็ดองท่านพระมหาโมคลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมแห่งเวชยันตประสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคลานะรับโดยโดุษณีภาพครั้งนั้นเท้าสัตกาจอมเทพและเท้าเวสวรนมหาราชนิมนต์ท่านพระมหาโมคลานะ ให้นำหน้าเข้าไปยังเวชยันตปร า, าส萨ทพวกเทพธิดาผู้บำเบอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุดญิงสะพ้ยเห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพลัท้าเวสวรรมหาราชได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคลานะ ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันต์ประสาทนี้เถิดท่านพระมหาโมคลานักลาวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านเท้าโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดใดแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงดดสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึง ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดว่าเท้าสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้เท้าสักกะนี้สังเวชจึงบรรดาอิฐทาพิสังขารคือแสดงฤทธ์โดยเข้าอาโปรกรสินและอธิษฐานว่าขอให้พื้นที่ตั้งปราสาทจงเป็นน้ำใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวชยันต์ปราสาทเขย่าให้สันสะท้านวันไว เหมือนบาดวางไว้บนหลังน้ำเอานิ้วเคาะที่ขอบบาทก็หวั่นไหวไปมาอยู่นิ่งไม่ได้ฉะนั้นทันใดนั้นเทา้าสกกะจอมเทพท้าเวสวร์มหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความมหัศจรรย์ใจกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงระสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแทงนิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยาพิภพ ขยับให้สรรสทานวันไหวได้ครั้งนั้นท่านพระมหามุกคลานะทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพทรงมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงทูลถามว่าเท้าโกศีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมมะเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมาภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังกถานั้น เท้าสักกะจึงตรัสเล่าถวายรายละเอียดที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมะเป็นที่สิ้นตัญหาโดยย่อให้ฟังครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของเท้าสักกะและอันรทานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราศาสตรของมิคารมาตาในบุพารามครั้งนั้นท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีสักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟัง จากนั้นจึงตรัสเล่าเรื่องธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นที่ได้ทรงแสดงแก่เท้าสักกะซึ่งมีเนื้อหาตรงกันกับที่เท้าสักกะทรงเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล